โดยศัพท์คําว่าวิหารเนี่ยนะแปลว่าที่อยู่ใช่ไหมที่อยู่นะเครื่องอยู่หรือที่อยู่วิหารคําว่าวิหารมีอยู่สี่ประการด้วยกันนั่นเลยคืออย่างที่หนึ่งก็อิริยาบถวิหารเนี่ยนะทั่วไปก็คืออย่างยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าอยู่ด้วยอิริยาบถวิหารอย่างที่สองก็คืออยู่ด้วยพรหมวิหารก็คืออยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะเป็นผู้มากไปด้วยเมตตา ต่อสรรพภาษาทั้งหลายไม่มีเวรไม่เบียดเบียนอย่างที่สามเาเรียกว่าทิพภวิหารทิพภวิหารนี่หมายถึงอยู่ด้วยฌานสี่เมื่อไหร่ที่เข้าชานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่หรืออรู ป, ปรชานก็ตามอย่างนี้เรียกว่าทิพภวิหารอย่างสุดท้ายคืออริยวิหารอริยวิหารหมายถึงการเข้าพระสมาบัติ ตามสูตรนี้พระพิสูจน์ท่านไปถามถึงผู้อยู่ในธรรมวิหารนั่นแหละธรรมวิหารนี่ควรจะเป็นอะไรเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมอยู่ในธรรมนั่นนะถ้าเอาสูงสุดเลยก็คืออยู่ด้วยการเข้าพระสมาบัติอันนี้เอาสูงเลยเนะถ้าถ้าเราเอาจะพูดก็พูดไทยองค์เจดีก็พูดยอดก่อนถ้ายอดสูงสุดผู้ที่อยู่ด้วยธรรมะก็คือขณะที่เข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นนะอย่างนั้นะจึงจะเรียกว่าผู้อยู่ในธรรมจริงๆ สูงสุดสุดยอดเลยนะทีนี้ไอการที่จะเข้าไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะข้อปฏิบัติเป็นอย่างไรน่นะซึ่งในศาสนานี้ได้กล่าวข้อปฏิบัติไปโดยลำดับใช่ไหมสำหรับผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมะได้นะคือเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาเข้าไปหานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังทรงจําพระธรรมไว้ได้แล้วก็เอาพระธรรมเหล่านั้นมาตรึกมาเพ่งมาพิจารณาถ้าหากว่าตรึกพิจารณาเพ่ง ธรรมะก็จะปรากฏคือธรรมะต่ออัฏฐะก็จะปรากฏปัจจัยกับปัจจัยบันก็ปรากฏแบบนั้นเถอะเมื่อพิจารณาปัจจัยปัจจัยบันมากขึ้นก็จะทําให้เกิดความภาพเพียนตุลนาเนี่ยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั้งในปัจจัยและปัจจัยบันเป็นต้นเนี่ยนะการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงซึ่งเป็นปัจจัยแห่งวิปัสนาชั้นสูงต่อไปอันนั้นแหละจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกได้ ทีนี้ถ้าตามสูตรนี้เนี่ยนะบางพวกที่เรียกว่าเป็นนักเรียนเนี่ยคือจะทรงคัมภีร์อย่างเดียวเห็นไหมในมหาสุญญ า, าสูตรท่านบอกว่าอย่าติดตามพระองค์เพื่อเรียนสุตตะคยะวยากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะพภูต ธ, ธรรมเบธาละเลยคืออย่าติดตามพระพุทธเจ้าเพื่อมุ่งเรียนคัมภีร์อย่างเดียวเห็เนไหมไม่ใช่โอาวันนี้พระพุทธเจ้าสูตรอะไรเราจะได้เก็บไว้จะได้จําไว้เนี่ยนะคือเน้นไปจําแต่แต่สูตรเกินไป นะนะั่นนะท่านกลุ่มนี้ถามว่าถ้าเทียบกับไม่ฟังอันไหนดีกว่ากันถ้าเทียบกับไม่ฟังนะอันไหนดีกว่าฟังดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับคนสูงกว่านั้นนะอย่างนี้ก็ต่ํากว่านันะถ้าไปเทียบกับ ก, บการเข้าพระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยแค่เรียนนิ่มจะไปได้เรื่องอะไรใช่ไหมสำน ว, นวนว่าเป็นไข้ขึ้นแทบแย่แล้วก็เรียนแต่สูตรยาเฉยๆ ว, ว่าเนี่ยเขากินยานี้ขนาดนี้บวกขนาด น, นั้นท่องได้หมดเลยแต่ว่าไข้ขึ้นตามเดิมเนี่ยนะ ฉัน x ไม่ใช่ว่ามาเจออย่างนี้แล้วก็ปฏิเสธการเรียนสูตรยาไปอีกนะก็ไม่ใช่แต่นี้ก็เปรียบเทียบกับชั้นสูงเพราะพระพิสูจ์ท่านไปถามธรรมวิหารนะอยู่ในธรรมมาจากบาลีว่าธรรมวิหารีแปลว่าผู้อยู่ด้วยธรรมเนี่ยนะนะคือเป็นผู้มีธรรมจริงๆอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นการเรียนก็เหมือนกับการเรียนสูตรยาว่าอะไรคือคําสอนเนี่ยนะคำสอนก็ชี้แจงบอกอะไรเป็นอะไรก็ยังไม่ได้เข้าถึงคําที่แท้จรงิงนะั ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าทมที่แท้จริงคืออะไรการมรรคผลนิพพานนะเอาสูงสุดเลยคือการมรรคผลนิพพานอันถ้าเรามาได้แต่พยันชนะท่องได้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นๆเนี่ยนะ ก, ก็ควรแต่การตําหนิในเบื้องต้นทีนี้ต่อไปนะบางคนเนี่ยพอเรียนมามากแล้วก็แสดงมากพอพอเรียนมาเยอะก็แสดงได้เยอะอการแสดงกับการสมมตินะ ตั้งโจทย์ธรรมดาทั่วๆไปก่อนว่าคนที่พูดเรื่องเมตตากับผู้มีเมตตาเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอันนั้นคือถ้า ถ, ถ้าพูดต่างกันนะสมมุติว่าคนมีเมตตาด้วยและแสดงเรื่องเมตตาด้วยละ่ะคือเขาบอกว่าต้องแยกอธิบายบาอย่างนั้นนะนะบางคนพูดเมตตาแต่ไม่มีเมตาก็ได้บางคนพูดเมตต า, ตต า, า, พ, ตาพูดด้วยเมตาก็ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันผู้ที่กล่าวธรรมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ ปฏิบัติทำเสมอไปผู้ที่ปฏิบัติก็อาจจะกล่าวไม่ได้นะแต่ในที่นี้ถ้ากล่าวได้แล้วก็ปฏิบัติด้วยก็ควรแต่การยกย่องควรแต่การสรรเสริญเป็นอย่างมากแต่ทีนี้เจ้านี้หนักแต่สแสดงอย่างเดียวนะสำนวน ว, นว่าถ้าเป็นทางสมัยใหม่เขบอกว่าโผบัญชีหางว่ารับเทศเต็มไปหมดเลยเนะเลยไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวรีกรนิอะไรสักอย่างนะก็เที่ยวแต่สแสดงอย่างเดียววั ง, ไงไั้นแเพราะฉะนั้นกลุ่มแบบนี้พระ อ, องค์ก็ไม่สรรเสริญ เนี่ยนะพระองค์ก็ตำหนิคือคือตำหนิตรงที่ว่ากิจที่ควรทำยังมีอีกแต่ว่ามาติดอยู่แค่เป็นนักแสดงเนี่ยนะก็ไม่ควรอยู่เท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าที่สุดของศาสนาไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วแค่พูดได้เนี่ยนะมันก็ไม่ยกย่องอ่ะนะถ้าเทียบกับคุณชั้นสูงถ้าเทียบกับธรรมดานะพูดพูดธรรมะได้กับพูดไม่ได้ไหนดีกว่ากันเนี่ยนะก็พูดได้ดีกว่าถ้าเทียบกับคนที่ต่ำกว่านะเราก็ดีกว่าแต่ถ้าเทียบคนที่ดีกว่า เราก็ยังต้องพัฒนาอีกแต่นี้สูตรเป็นสูตรที่เรียกว่าพูดให้พัฒนาขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการแสดงก็ไม่ใช่ว่าถึงที่สุดแล้วทีนี้บางคนเนี่ยมากไปกว่านั้นอีกไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงแต่ก็ไปสาธยายเนี่ยนะก็ไปสาธยายการไข่ค ร, ครวนธรรมะที่เราเรียนมานะท่องสูตรไหนบ้างมาก็สาธยายซึ่งพระองค์ก็ตําหนิด้วยนะว่าถ้าผู้ที่ไม่สาธยายเนี่ยปรยิัญาที่เรียนไปก็ลืมหมด เพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินแต่เจ้าดูเฮ้งแต่เรื่องสาธยายอย่างเดียวเนี่ยนะคือก็อั น, นะติดแต่พยัญชนะนะก็อย่างเช่นถ้าทรงสูตรไหนได้ก็เช่นก็ว่าแต่พยัญชนะไปเนี่ยนะนี้ทุกนี้สมุทไทยนี้นิโรดนี้นิโรธาคามนินีปฏิปทาทุกมันคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ฉันว่าได้ก็แล้วกันนะทุกสมุทไทยนิโรธมัด ะนะดีไมด่ดีบอกทุกคนกําหนดรู้เนี่ยนะก็ว่าไปได้นะสรุปว่าได้หมดอ่ะแต่ว่าเอ๊ะถ้าทายังไงบอกยังไม่รู้อะนะเพราพวกที่สาธยายประเภทนี้ก็มีเนี่ยนะทีนี้บางคนเนี่ยไม่สาธยายก็ตึกพยัญชนะเหล่านั้นนั้นก็คือตึกแต่พยัญชนะตึกแต่พยัญชนะคี่ถึงแต่ถ้อยคําแล้วก็ขี่ไปในความสมเหตุสมผลเท่านั้นเองแต่ไม่ได้พิจารณาอย่างแท้จริงเนี่ยนะ อย่างสมมตินะเราเรียนเลยนะสมมติว่าเอาชาติติทุขาชราติทุกขามรณะติทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนะสุปายาสาติทุกขาว่าได้หมดอนะว่าอย่างนี้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ได้หรือไปตรึกอย่างเนี้ยความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกความทักภากเป็นทุกความที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ว่ามันอยู่ที่ไหนบอกไม่รู้นะก็ว่าไปตามสูตรคือเนื้อหาเขาเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปอั้นกลุ่มเหล่านี้ก็ ยังไม่เชื่อว่าอยู่ด้วยธรรมอย่างแท้จริงคือแต่ว่าถามว่าเขาอยู่กับปริยัตยิไหมใช่อยู่กับปริยัตยิแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ใช่ว่าให้เขาหยุดอยู่แค่ปริยัตยิเพราะคุณชั้นสูงยังมีอยู่พระองค์ก็เลยเน้นให้ให้ได้คุณชั้นสูงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้แล้วนะมีความรู้คือเรียนมาดีสามารถแสดงได้สาธยายได้ตรึกได้อย่างไรจึงจะเชื่อว่าอยู่ในธรรมอย่างแท้จริงนะะจุดประสงค์ที่พระองค์นะ ก็คือกลุ่มสี่ข้างกลุ่มแรกเนี่ยไม่มีการหลีกเล้นเลยเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่คลุกคลีมากถ้าคลุกคลีมากศีลไม่ค่อยดีนะว่าโดยรวมๆคลุกคลีนะการคลุกคลีเนี่ยสมมติเออเขามีวิเวกสา ม, มกายยาวิเวกจิตตาวิเวกอุปเทควิเวกพวกที่คลุกคลีทางกายมากศีลดยมากไม่ค่อยดีเนี่ยนะคลุกคลีกันมากพูดคุยกันบ่อยเนี่ยนะพอพูดไปแล้วมันก็อดไม่ได้ นะนะทุ่สินไปด้วยอ่ะทีนี้ต่อไปนะพวกที่ไม่หลีกเล้นโดยมากก็ศีลไม่ค่อยดีถึงให้การหลีกเล้นเนี่ยการไปหลีกเล่นอยู่ไปอยู่คนเดียวเงียบเงียบพอไหมเหมือนกับคนเลี้ยงปสัสสตว์ทั้งหลายแหละก็ไม่พอนะนะก็ต้องไปอยู่แบบผู้มีความรู้อยู่แล้วพิจารณาอะไรนะนะพันไ อ, อการเอามาพิจารณาอย่างแท้จริงอ่ะนะไอตรงนี้แหละที่ที่เรียกว่าเพ่งตรงนี้ผมบอกว่าจงเพ่งนะ เข่งก็มาจากคําว่าฌานคําว่าฌานฌานมีสองอย่างคือรัมมานูปนิสชาฌากับ อ, อ, อารัมมานูปนิสชาฌากับลักคนูปนิสชาฌาก็คือสมถะกับวิปัสสนาคนที่รู้เรื่องขันอายตนะธาตุเนี่ยนะกับคนที่พิจารณาขันอายตนะธาตุมากเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนที่ขันก็รู้บอกว่าขันเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิยม แต่ถ้าหากว่าคนที่พิจารณาจริงๆก็คือมองชีวิตคือคือขันห้าขันห้ามาจากยังไงมาจากเหตุอะไรมาจากปัจจัยอะไรขันเหล่านี้เกิดด้วยเหตุอย่างนี้มีความตั้งอยู่อย่างนี้มีความดับไปอย่างนี้เนี่ยนะเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้ดังคาถามว่าเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไ ร, เ ก, เ, นะราาเกิดเนี่ยนะเพราะภาษะเกิดเนี่ยนะเมื่อมีวัตถุมีทวารมีวิญ ญ, ญาณ ภาษาก็เกิดถ้าภาษาเกิดเวทนาก็เกิดถ้ามนุิการในอารมณ์นั้นยาวเท่าไหร่ชื่อว่าเวทนาตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าเลิกมนสิการเวทนาทั้งหลายก็ก็ดับไปในอารมณ์นั้นแล้วเวทนาอย่างนี้นะถ้าผู้ที่พิจารณาแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็ย้อนไปพิจารณาทั้งที่เป็นเวทนาทั้งที่เป็นอดีตเวทนาทั้งที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกอยางละเอียด คือผู้ที่พิจารณาแบบมีสภาวะรองรับมีเวทนารองรับจริงๆกับคิดถึงคำว่าเวทนาต่างกันตรงนี้พวกเน้นเอาไปประเภทบุคคลที่มีเวทนาจริงๆไม่ใช่คิดถึงเวทนาเนี่ยนะไม่ใช่คิดถึงเวทนาเพราะฉะนั้นก็เอาเวทนาอย่างถ้าศึกษาสติปัฏฐานสูตรมาดีแล้วถ้าอย่างสูตรนี้เนี่ยเาถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งก็บอกว่าสูตร ปรับคนเรียนมากไม่ใช่สูตรปรับคนที่ยังไม่เรียนมันคนที่ไม่เรียนอะไรเลยมาเจอสูตรนี้เข้าก็าเลยยังไงฉันจะปฏิบัติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าชมเรื่องการปฏิบัติจะไปดั้งทำอะไรอ่ะนะพราะมานี้เกิดมามันเด็กเลี้ยงวัวมาตลอดอยู่แล้วอยู่ป่ามานอนเต็มทีก็ไปนั่งดูจักจันเร์ไรๆดูปลวกมันบินอปลวกมันกลัดไม้แมลงมันบินเท่านั้นนะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกไปอยู่เถอะยังไง เพะอ้ยู่ก็คืออยู่แบบมีความรู้ไปพิจารณายัางไงเพราะฉะนั้นตั้งคําถามว่าถ้าคนแบบพิจารณาจริงๆอะะ น, นเห็นอะไรมั่งเขาคิดคําสอนไม่ได้หรือเห็นคําสอนติดอยู่กับทุกขลทุกแห่งดูตรงไหนก็เห็นคําสอนหมดเลยแล้วเห็นคําสอนอย่างสมมติถ้าใครที่สาธยายหรือท่องชักรสูตรมาได้อย่างไงเนี่ยตากับสีเกิดจากครูวิญ ญ, ญาณธรรมะสามประการประชุมการเป็น ภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงยึดถือความยึดถือเป็นเหตุแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้มีตาต่อไปแล้วก็พี่เรณาอย่างนี้ขณะนี้ด้วยแม้ในอดีตก็เป็นเช่นนี้อดีตจะกี่พบกี่ชาติก็เป็นเช่นนี้ในอนาคตต่อไปก็เป็นเช่นนี้ภายในก็เป็นเช่นนี้ภายนอกก็เป็นเช่นนี้จะอยู่ในพบที่หยาบก็เป็นเช่นนี้อยู่พบละเอียดขนาดไหนก็ก็เช่นนี้ สภาพทั้งหลายเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นไม่ไม่มีความมั่นคงเขาวนอะไรเลยนะแล้วก็น้อมเพ่งพิจารณาอย่างนี้ในความไม่เที่ยงคืออันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเป็นสภาพที่สิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเป็นต้นถ้าหากว่าเกิดการไข่ ค, ควรพิจารณาอย่างนี้มากๆถ้าเอาแบบธรรมวิหารีเท่าเดียระดับอริยวิหารก็ยังไม่ใช่ แต่ถ้าไม่เจริญอย่างนี้แล้วอยู่เอาอริยวิหารให้เกิดได้ยังไงอยู่ๆเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราั้นการพิจารณาอันนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นสูตรเตือนว่าพยัญชนะเนี่ยดีมากแต่ไม่ไม่ใช่ติดอยู่ที่ศัพท์แต่เอาความรู้เหล่านั้นมาฝึกใช้บ้างคนที่อ่านหนังสือออกกับนักอ่านหนังสือนี่เหมือนกันไหมอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือไม่ใช่ว่า รู้ว่าหนังสือเนี่ยผสมกันเป็นยังไงแต่ไม่ใช่นักอ่านการพิจารณาธรรมะก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราไปอยู่ณนะที่ใดทํำยังไงจะพิจารณาได้จะเจริญได้ยกเป็นตัวอย่างนึ่งนะสมมุติของเราทั้งหลายโดยมาเรียนประชดหนึ่งกันมามากแล้วนะจิตมีกี่ดวงรู้หมดมีกี่ภูมิรู้หมดเนี่ยนะจิตอะไรเป็นโสพณะเป็นอโศพนะโดยโลกิยะโดยโลกุตระโดย อะเหตุกะอเหตุตกะถามว่าที่เห็นเนี่ยมีจิตอะไรเกิดบ้างเนี่ยนะเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเอนี่ยนะถ้าจิตที่เกิดขึ้นทําไมจึงเป็นแบบนี้นะก็ถ้าเอามาวิเคราะห์เอามาไข่คุ่นอย่างนี้ได้อันนั้นแหละเป็นเบื้องต้นในการเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะเพราะขาก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาบอกห่วงมากโอ้โหกลัวจะลืมก็เลยมัวแต่สาธยายมัวแต่ตรึกเลยไม่ได้เอาดึงมาใช้มาพิจารณาอย่างแท้จริง แล้วก็ฟังให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติโดยที่ทิ้งพยัญชนะหมดเลยถามว่าเราจะทํำยังไงออกเนี่ยนะใครรู้สูตรแห่งการปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําสอนเลยนะถามว่าไปนั่งทําอะไรเนีย่ยนะถ้าจับให้นั่งอยู่โคนไม้สักครึ่งชั่วโมงด้วยนะจะนั่งคิดอะไรนะักผายในชั่วโมงเนะ่ยโอ้มีความสุขมากหรือว่าเมื่ อ, อไหร่มันจะหมดเออขอมาเคยและสมัยก่อนเนี่ยทำัยบวชใหม่ๆ ไปนั่งที่ไหนก็ตั้งนาฬิกาอย่างหนึ่งก็อีกทูบอีกอย่างหนึ่งนาฬิกาทูบคือจุดทูบเราต้องนั่งให้หมดทูบแล้วเราจึงจะลุกนั่งไปสักพักครึ่งทูบเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมันหมดช้าจังในทูบอันนี้นะทูบทําไมมันช้าจังก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะได้ลุกสัทีอนะันนันอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งนาฬิกาเหมือนกันตั้งปลุกแบบตั้งนะนะเอ๊ะทำไมมันไม่ดังสักทีว่ดังแล้วมันหรือฐานมันหมดหรือเปล่าเนี่ยนะ ก, ก็จะจะไปนั่งเอาชั่วโมงแล้วคันนี้ ถ้าคนที่ไม่มีความรู้แล้วจะไปนั่งแล้วจะไปพิจารณาอะไรเนี่ยนะแล้วก็พันการพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาโดยที่นึกถึงแค่คำแค่คานะแต่จริงๆถ้านึกกับอย่างอื่นนะถ้าเทียบกับระดับล่างๆเนี่ยดีมากแต่ น, นี้ถ้าเราเทียบกับระดับสูงเนี่ยนะต่างกันเหมือนอย่างคนที่เรียนอ น, นิจจังมามากๆนะเออไม่เที่ยงไม่เที่ยงกับผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ ก็แตกต่างกันเนี่ยนะก็แตกต่างกันทั้นรองเน้นเน้นผู้ที่เข้าไปหลีกเลนเนี่ยนะปฏิสารานะเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่หลีกเลนแล้วก็เพ่งทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเพ่งสมถะวิปัสนาโดยที่ไม่มิไม่มีข้อมูลของภาพปริยัติธรรมเลยสมมุตินะถ้าเราไปนั่งกําหนดอานาบานาสติอเจริญสมถะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวกว่ารู้ชัด รู้ชัดทั้งหายใจเข้าหายใจออกไงนะก็ทําอยู่อย่างเนี้ยไดนานเหมือนั้นเถอะทาได้อาจจะเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเสร็จแล้วก็อันนี้จังก็เคยได้ยินมาทีนี้ถามว่าจะเจริญยังไงต่อไปเอา้าสมมติถ้าเราไปนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวเลยนะแบบสำน ว, นวนว่าพระดายวิโดก็ไม่ได้เอาไปด้วยพราะแก่ขับเวลาไม่ไมีไงจะไปเจริญอะไรเนี่ยนะพอไปพิจารณาลมไปมากๆนะพิ่เจรนาไปเหอะเดี๋ยวนั่งไปพักเดียวนะ โกศัตรช้ามันก็จะเข้ามาถ้าโกศัตช้าเกิดถีนะามันก็จะเกิดบอกได้เวลานอนแล้วว่างั้นก็อย่างนึงอย่างนึงก็บอกว่านั่งไปนั่งมาก็นึกไปเรื่อยเตยสเปสตะไม่มีความรู้นะเอาใบาเอาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดไปคิดมาก็มั่วไปหมดเลยก็มีนักคิดประเภทนี้ที่คิดแบบไม่มีคําสอนเลย น, นั่นะตับคนที่มีมีความรู้ความเข้าใจในคําสอน ข้าการพิจารณาอาณ า, าปานสติเนี่ยนะถ้าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยจะต้องประมวลลมหายใจเข้าออกแล้วต่อด้วยขันอายตนะธาตุได้เมื่อประมวลโดยขันอายตนะธาตุต้องต่อปฏิจจสมุปบาทได้อันนี้เป็นสูตรถ้าพิจารณาเป็นปฏิจจสมุปบาทต้องมองให้เห็นสัจจะให้ได้อนะอันนี้เป็นหลักการเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่สามารถเอาเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาได้ก็ใช้ไม่ได้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นธาตุที่เร่ในธาตุสี่สบสองนในธาตุสี่นะลมหายใจเข้าก็ธาตุลมถ้าธาตุลมก็ต้องหนึ่งสองสามสี่ธาตุลมก็ต้องต่อด้วยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินก็ถ้ากับดินน้ํำลมไฟถ้าตดินมีเท่าไหร่ธาตุน้ํามีเท่าไหร่ธาตุไฟมีเท่าไหร่ถ้ามหาภูตรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติว่ารูปประคัรูปประคันเหตุอะไรอาจารย์ในสี่ประการเหตุสี่ใช่ไหม อนนะปัจจะยเหตุทิสุโรปหนึ่งไปถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นอะแลจึงทําให้บัญญัติว่ารูปขันอันนะเหตุเท่าไหร่ทาให้บัญญัติเวทนาขันให้บัญญัติสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันในมหาปุณณะสูตรเนี่ยนะกล่าวว่าพองก็แต่ว่าเพราะมหาภูต ร, รูปสีนี่แหลเป็นเหตุให้บัญญัติรูปขันถ้าไม่มีมหาภูตุสี่นะั้รูปขันไม่มีในโลกใ น, นทุกขนทุกแห่งไม่มีรูปขัน เพราะที่นั้นมีธาตุสีนั่นแหละจึงเหตุให้บัญญัติว่ารูปขันขึ้นเพราะมีภาษะจึงบัญญัติเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันอันนที่ใดมีภาษะที่นั่นต้องมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเพราะนามรูปแลเป็นเหตุให้บัญญัติวิญญาณขันเพราะนักพูดในคือเรียกว่าปัจจยเหตุเนี่เหตุที่ทําให้บัญญัติขันธาถ้าเอามาพิจารณาแบบนี้บ่อยๆก็ขัน คำว่าขันก็แปลว่าโดยศัตว์นะขันแปลว่ากองกองคำว่ากองนี้ก็สิ่งเดียวแท่งเดียวก็ไม่เรียก ว, ว่ากองกองก็คือ11แท่งนะั่นแหละทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันก็แบ่งอีกหลายกลุ่มโดยอัฐพาโดยสมัยโดยสันติและโดยขณะเนี่ยนะภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีทใกล้ไกลแล้วก็ถ้าผู้ที่มีความรู้ดีก็ประมวลสิ่งเหล่านี้เป็นอายตนะเป็น ก็คือขันอายตนะที่สืบเนื่องกันไปเนี่ยนะเรียกว่าวะตตมีใครอยู่ในขันอายตนะธาตุไหมไม่มีแล้วอาศัยขันอายตนะธาตุเหล่านี้ใช่ไหมจึงบัญญัติโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็ใช่นี่นะเป็นคนเป็นสัตว์ก็เพราะความประชุมแห่งขันอายตนะและธาตุเมื่อขันอายตนะธาตุประชุมกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่ได้สดับ ปุตชนผู้ไม่ได้สดับจะสําคัญการเห็นเนี่ยนะซึ่งประกอบด้วยตาสีจกักรคูวิญญาณและ แ, แสงสว่างจากักรคูวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยนะเห็นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาก็เกิดการประชุมแห่งขันห้าขันห้าอันนี้สําหรับปุตชนผู้ไม่ได้สดับไม่สําคัญว่าขันห้าประชุมกันนะการเห็นจึงเกิดสําคัญอย่างนี้ไหมไม่ใช่เออเรานะมาพบกับคนนี้ก็เลยคุยกันเรื่องยาวเลยแบบนั้น ก็มีแต่ลักษณะนี้ไม่เคยแยกแยะว่าตาคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีมาจากเหตุปัจจัยอะไรเท่าไหร่ไปยังไงมายังไงสีเหล่านั้นเนี่ยประกอบด้วยรูปเท่าไหร่มาจากสมุดฐานเท่าไหร่มาจากปัจจัยอะไรอนนะการเห็นเนี่ยอาศัยมนัสิการอาศัยแสงสว่างถ้าแสงมากกว่านี้การเห็นเป็นยังไงเป็นต้นนั้นะแล้วถ้ามนาัสิการพอเห็นแล้วหลังจากเห็นอะไรเกิดขึ้นต่อไปบ้า ง, างนี่นะปริเพษีหนึ่งประเพษีสองปริเพษีหที่เรียนไว้โอ้หายหมดเลยเนี่ยนะครับก็ จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้ได้ทีนี้เมื่อฝึกใช้ให้เป็นเนี่ยถามว่าเท่านี้พอหรือยังยังก็ต้องบอกขันอายตนะธาตุเหล่านี้แม้เมื่อก่อนหน้านี้ก็คือขันอายตนะธาตุที่เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปมันจะกี่ชาติก็คือขันอายตนะธาตุที่ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นขันเนี่ยดีหรือไม่ดีโดยรวมๆแนละ้ขันดีหรือไม่ดีถ้าขันไม่ดีแล้วเราทํายังไงจะออกจากขันเหล่านี้ได้ คิดยังไงจึงจะออกจากขันนี้จริงๆไม่ใช่ทิ้งขันหนึ่งไปถือเอาขันอันหนึ่งนะเบื่อบ้านเล้ไปเอาบ้านอีกบ้านหนึ่งไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเอ๊ะเมื่อเราทํำยังไงอะที่เรียกว่าจะเลิกเห็นเลิกได้ยินเลิกรู้กลิ่นเลิกรู้รสเลิกรับรู้โภธาภาเลิกนึกคิดหมายความว่าจบสติวั ต, ตะที่เป็นไปเนี่ยคิดยังไงจึงจะออกได้ก็ต้องมาสาวดูว่าขันอายตนะธาตุที่เป็นผลมาจากไหนทําเราใดไหลมาแต่เหตุ นะขันอายตนาธาเหล่านี้มาจากเหตุเหตุคืออะไรขันทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นก็อวิชชาตันหาและกรรมรู้ยังไงจึงจะละอวิชชารู้ยังไงจึงจะละตันหารู้แล้วละตันหาได้ก็ด้วยสมถะรู้แล้วละอวิชชาได้ก็ด้วยวิปัสสนาก็อบรมสมถาวิปัสสนาให้เป็นของคู่กันเนี่ยนะจนกว่าจะละอวิชชาได้ อันนั้นแหละเป็นเป็นสาระของการเรียนการศึกษาการฟังการสาธยายทั้งหมดเพื่อไปเข้าสู่จุดนั้นเพื่อไปการไปเจริญไปพิจรารณาไปเพ่งอย่างนั้นจริงๆในชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีเนี่ยนักเรียนเฉยๆเนี่ยนะก็คือสำน ว, นวนว่าอยู่แต่ในห้องเรียนจำได้พยัญชนะหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นนักฟังสมัยโบราณไม่เป็นอย่างนั้นฟังแล้วเข้ามานสิกิการอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดง พระพุทธเจ้าสอนอสุภะเขาก็เห็นอสุภะจริงๆเออมันใช่อ่ะอนะแล้วเขาก็พิจารณาจนปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจริงๆอันนั้นนั่นคือจุดประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ใช่ไหมไม่ใช่ประสงค์ให้มาติดอยู่เท่ากับปริยัตเนี่ยนะไม่ใช่เปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคําสอนของพระองค์เหมือนกับการสร้างเรือสร้างแพเนี่ยนะเราก็เรียนเรื่องเรือเรือเร่องแพแล้วก็มาประกอบเป็นเรือเป็นแพเสร็จแล้วเราตั้งไว้โชว์ดีไหม ไม่ใช่จุดประสงค์นะไหมก็เพื่อเอาไว้ข้ามฟากฉันใดการศึกษาการเรียนรู้การตรึกการเพ่งการพิจารณาธรรมก็เพื่อข้ามฟากจากวตัตถะทีนี้ทํายังไงเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้จริงๆคนที่รู้ศีลห้าแต่คนที่รักษาศีลห้าคนที่พ่อพูนศีลห้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ต่างกันคนที่รู้เรื่องจิตเรียนเรื่องจิตกับผู้ที่อ บ, บรมจิตแล้วอ บ, บรมให้จิตมีคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ ก็แตกต่างกันพันโปรงก็ตําหนิพวกรู้สูดเฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมองอย่างว่าคนรู้กับคนไม่รู้ไหนดีกว่ากันก็รู้ดีกว่าแต่ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็ตําหนิตรงไม่ปฏิบัติไม่ใช่ตําหนิตรงรู้นะดีแล้วที่รู้แต่ถ้าจะตําหนิต่อไปก็คือไม่ปฏิบัติทีนี้คนถ้าจะปฏิบัติแล้วทาไมไม่บรรลุบรรลุกับไม่บรรลุบรรลุดีกว่าทําไม่บรรลุก็น่าตําหนิเพราไม่บรรลุนี่ยนะฟังก็เอ่า เอาชั้นสูงมาเปรียบกับชั้นล่างลักษณะนี้ไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เลยทงเ่ะจนอ้าวนี่ไงเป็นแค่ผู้เรียนเฉยๆไม่ใช่ว่าอยู่ในธรรมอะไรรอกแต่คนแบบประเภทนี้ในโลกมีให้เห็นอยู่นะผู้ที่แสดงอย่างเดียวแล้วไม่รักษาไม่ปฏิบัติก็มีให้เห็นอยู่นะคนที่สาธยายอย่างเดียวสาธยายอย่างเดียวทําอะไรรู้ไหมรับสวดอย่างเดียว่ยนะมีงานไหนบ้างนะ เพั้นคนที่สวดอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโ น, โนเนี่ยนะกะคนที่พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนา อ, อั น, นะเกิดมาแล้วก็ตายกันหมดนั่นแหละเกิดแล้วเสื่อมไปผู้ที่สงบระงับหมายคือว่าตัดเหตุปัใจจัยให้สังขารเหล่านี้ดับได้เป็นสุขที่สุดเนี่ยนะเฉะั้นคนที่สวดได้กับคนที่ปฏิบัติก็ <S <S ก, ก็แตกต่างกันแต่ว่าอย่าลืมนะคนที่เรียนมามากปฏิบัติแป๊บเดียวบรรลุล้ เนะขาใครทุกคนเนี่ยตําหนิพระโพธิละกันหมดเนยะเห็นไหมนั่นอะ่ะพระโพธิละพระพุทธเจ้าท่านดําหนิพระโปติละท่านฟังคาถาบาดสองบาด ท, ท่านก็บรรลุแล้ว น, นะนะของเราไม่ได้เรียนเหมือนพระโปติละออมาก็เลยฟังคาถาเดียวกับพระโปติละเราไม่เห็นได้บรรลุอะไรเลยเพราะเรียนมาไม่เท่ากันเนี่ยนะทีนี้ต้องดูว่าค่าเรื่องเดียวกันเนี่ยผู้ใดเป็นผู้ตําหนิในสิ่งนั้นนะเนี่ยอย่างสูตรเมื่อกี้บอกนะในวิหารีสูตรเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตําหนิเพราะอะไรเพราะพระองค์ต้องการให้เข้าอาริยะสมาบัติออริยะวิหารเนี่ยนะคือไม่ใช่หยุดอยู่เท่านั้นโอถ้าหากว่าต้องฟังอย่างเดียวมันจะเป็นภาระขนาดไหนใช่ไหมถ้าฟังนะจะ ต, ต้องจัดเวลาให้มาฟังชีวิตที่จะได้ฟังก็ไม่ใช่ของง่ายอ้าวถ้าแสดงลนะ่ะแหมผู้แสดงนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเดินทางไปมาก็ลําบากเป็นต้นเนี่ยนะปัญหาเรื่องผู้ผฟังก็เยอะละว่า ง, งั้นเถอะ แต่ละคนกว่าจะมาไอ้รวมกันขนาดนี้นะมาจากคนละทิศคนละทางคนละเส้นคนละสายเนี่ยถามว่าชาตาจะต้องฟังอย่างนี้ตลอดไปมันจะเป็นภาระขนาดไหนเนี่ยนะถ้าถ้าจะให้หยุดอยู่กันแค่ฟังนะเอาผู้แสดงเนี่ยถ้าต้องไปแสดงอย่างเดียวมันจะเป็นภาระขนาดไหนเนี่ยนะถ้าสาธยายได้อย่างเดียวถ้าคอเสียแล้วจะเป็นสาทยายยังไงกันเนี่ยถ้าตรึกนะเนี่ยนะถ้าไม่ได้สปายะตรึกไม่ได้นะที่ที่ตรึกตามพยันชนะเนี่ยนะตรึกแล้วมันขัดขาดลื่น เอาใครจําสูตรได้แล้วก็ไปตรึกที่ไหนก็ได้ที่ประชุมชนนะงานเลี้ยงอะไรนะจำเนี่ยจิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งย่อยสิบเอ็ดดวงกไปตึกดูนะในในงานเลี้ยงนอะะจะได้กระพองกระแพ่งเต็มทีมันไม่หยุดอยู่แค่ตรึกมันจะเป็นภาระขนาดไหนเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบาตแล้วเข้าถึงจุดที่ที่พระองค์ต้องการเนี่ยนะคือการเข้าถึงเข้าถึงธรรมอา้าวธรรมที่ว่าคืออะไรนะย้อนามาใหม่ ทำโมหเวรักคติรรมมจารีนะเอาแบบธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่อาบายนนก็ต้องเอาธรรมระดับนู้นเนี่ยนะไม่ใช่เอาแค่สภาวะธรรมใช่หสภาวะธรรมก็ได้มากันเยอะแยะใช่หสภาพแข็งเนี่ยใครมั่งเกิดมาปฏิสนธิได้มาเลยในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามเพราะฉะนั้นแข็งได้มาตั้งกับปฏิสนธิแล้ว ที่เหลือก็บริหารธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเนี่ยแล้เจ็บป่วยทุกวันก็เพราะว่าธาตุมันไม่สมดุลกันเนี่ยนะธาตุมันเกิดงอแงเข้าเนี่ยนะเลี้ยงธาตุดินมันไปผิดธาตุน้ำมันนะถ้าเกิดบริหารธาตุน้ํามากมันไปผิดธาตุดินเนี่ยนะเพราะน่ะสภาวะอันนี้เนี่ยเรารังเกียจสภาวะอันนี้จึงต้องมาศึกษาเพราะทุกคนมีสภาวะกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่สภาวะเหล่านี้ไม่น่าตาถนาเพราะอะไร นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลตทั้งหลายถ้าดูเถอะอุปาทานขันไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุจริตถ้าไม่มีต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปทุจริตในสิ่งนั้นจนได้นะนะไม่มีขัน อ, อุปาทานขันใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุจริตกรรมไม่กายทุจริตก็วัจีทุจริตถ้าไม่วัจีทุจริตก็มโนโทุจริตอย่างน้อยแอบคิดไม่ดีก่อนนะน่นนะ เอาถามว่าเห็นมหาภูตรูปแล้วชื่นชมในมหาภูตรูปสุดเจริตหรือทุจริญระทุจริญอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันเมื่อใดที่ไม่เห็นอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าประพฤติทุจริญคืออวิชชาในสิ่งนั้นอยู่แล้วนี่ทํำยังไงที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าจะได้ไม่เรียนไปเรียนมาก็เลยมาติดอยู่กับแค่นี้อีกก็ก็ไม่ใช่จุดประสงค์ใช่ไหม แต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าการเรียนการศึกษาเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะนะท่านนนท่านบอกว่าปริยัตที่เรียนมาเนี่ยยังไงก็อยังให้หายนะเพราะนั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคถ้าเราศึกษาไว้ไม่ดีนะอริยมรรคของเราเป็นยังไงเอาถ้าสมมติถ้าเราอยู่ๆเลยนะไม่นึกคําสอนอะไรได้สักอย่างเลยถ้าเราจะคิดถึงมรรคของเรามรรคของเราเป็นอะไรเนี่ยนะ มรรคของเราเป็นลักษณะไหนประกอบด้วยองค์เท่าไหร่รู้อะไรบรรลุยังไงมันดียังไงเนี่ยนะก็ที่เหลือก็มีแต่ความมืดมันคิดต่อไปไม่ได้เพราะนั้นปริยัตินี้จึงเป็นเบื้องต้นที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ถ้าพูดโดยทัศน์ส่วนตัวแล้วก็บอกขอให้มีปริยัติก่อนเถอะเพราะนั่นสารณะแต่ถ้ามีสารณะแล้วไม่ปฏิบัติตามสารณะแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะค่อยว่าเป็นรายคนไปเพราะคนที่เรียนมาม า, มากนี่แก้ไม่ยาก แต่แก้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเนี่ยนะบอกในโลกเนี่ยนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาบอกว่ศาศีรษะของวัตตะใหญ่ที่สุดคืออวิชชาภาพนี่ใหญ่นักแลเนี่ยนะอที่แก้ยากก็คืออวิชชานี่แหละไม่เข้าเนติเราสักทีเนี่ยนะก็อเอาเนติเช้าบ่ายเลยนะเช้าบ่ายเลยเจนพร ทบทวนอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคําว่าเนติแปล ว, ว่าตัวคัมภีที่นําผู้ศึกษาบอกงั้นเถอะเป็นคมภีที่นําผู้ศึกษาไปสู่มรรคผลนิพพานนี่นะนะนำไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าอ่านเนติแล้วจะรู้ว่ามรรคผลนิพพานไปไม่ง่ายนักแลยนี่นะนะถ้าใครไปอ่านเลยนะมีโยมคนหนึ่งบอกผมอ่านจับอะไรไม่ได้เลยอ่านทั้งเล่มมาจับอะไรไม่ได้แม้แต่คําเดียว เนี่ยก็เดินตามรอยอาตามาเป๊ะเลยนะเมื่อก่อนเขามาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอ่านแล้วก็ได้แต่อหู้ทำไมมันยากเย็นขนาดนี้แต่ว่าของท่านหลายท่านนะที่นี้เนี่ยมีบุญมากพูดถึงเนติเข้าใจเลยนะก็าเก่งมากนะเนติก็คือคมภีร์ที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นมรรคผลนิพพานไม่ง่ายขนาดเรียนให้เข้าใจยังยากจะกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเนี่ยนะ แต่ก็สิ่งที่ยากในโลกนี้ก็มีตั้งเยอะแยะเราก็ทํากันได้นะแต่ถ้ายากและจบเลยก็น่าจะดีนะยากครั้งนี้แหละจะสบายในครั้งหน้าเรียนไว้มากๆนะจะเป็นคล้ายๆพระพาหยะแต่ถ้าไม่ได้เรียนเอาไว้แล้วเอาคาถาพระพายะมาท่องบ้างนานก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะก็เท่าเดิ ม, มนั่นแหละนั่นเนปีเป็นคำภีที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานหรือถ้าผู้แสดงทั้งหลายนะผู้ที่แสดงธรรมะเนี่ย จะต้องแสดงตามแนวเนติถ้าไม่แสดงตามแนวเนติเนี่ยเริ่มมีปัญหาแหละถามว่าปัญหามันคืออะไรเริ่มกล่าวตู่คาสอนทันทีเนี่ยนะจะเริ่มกล่าวตู่คาสอนถ้าเราไม่ขยายตามแนวเนติคือการขยายธรรมะเนี่ยนะพระมหากัจจยนะท่านขยายพระพุทธเจ้าอนุโมทนาเนี่ยนะนั่นคื อ, อ, อสิ่งที่พระพุทธเจ้าประสงค์เมื่อรองตรัสธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เท่าไราพระพรทธมหามะกัจจายนะท่านรู้พุทธประสงค์รู้ความต้องการของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้พุทธประสงค์เราขยายเองบ้างอะ่ะพระพุทธญานุมโมทนาหรือตําหนิตําหนินะก็มีอยู่สูตรหนึ่งไงนายช่างไม้ปันจังฆะกับพระสมิธิสนทนากันเรื่องเวทนาไม่ยอมลงกันเลยอะ่ะพระสมิธิบอกเวทนาสองอา่าพระสมิธิที่บอกสามไย นายช่างไม้บอกเวทนาสองสุขกระทุกว่างั้นเถอะเพราะอุเบกขาสงเขาะลงสุขนะนี่ส่วนพระสมิธีบอกสามเทียงกันเองอนะเถียงกันเองต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันพรงษ์ก็ตําหนิมากตําหนิว่าพวกนี้ก็จริงๆอ่ะเวทนาปริยายสองพองษ์ก็ตัดปริยายสามพงษ์ก็ตัดปริยายห้าพงษ์ก็ตัดปริยายหกพงษ์ก็ตัดเนี่ยนะ โดยปริยาย18ก็ตรัสปริยาย36ก็ตรัสปริยายร้อแปเวทนาเนี่ยพระองค์ก็แสดงแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ศึกษาก็เอาคําสอนที่ถูกทั้งคู่มาเถียงกันนี่นะอันนั้นคือคือไม่รู้หลักของพยัญชนะเนี่ยนะไม่รู้หลักการย่อการขยายเอารูปคนเดียวกันนะสมมติถ้าใครไปถ่ายรูปไว้หลายๆลายภาพนะมีรูป1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว10นิ้วมีจนถึงรูป50นิ้วแล้วมาเถียงกันว่างั้นเถอะไม่ใช่รูปคนเดียวกันเนี่ยนะ จริงก็เป็นการย่อการขยายเรื่องเวทนาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็มีการยอ่อมีการขยายยังไงก็ได้แต่ถ้าศึกษาไม่ดีก็ ก, ก็ถกันเองละคะนี่นั้นคัมภีร์เนติก็คือนำไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าถ้าเราเข้าใจ ว, วัตถุประสงค์ของทาสอนจะรู้ว่าทุกสูตรที่พระองค์แสดงเนี่ยนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้จริงๆเพราะคัมภีร์เนติจะช่วยชี้แนะว่าเออเนี่ย ถ้ามีพยัญชนะบทนี้นะจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างไงเนี่ยนะและ้วก็ผู้แสดงเนี่ยควรที่จะศึกษาเนตินะถ้าใครที่มีอัธยาศัยเห็นคนอื่นน่าการุณาไปหมดเลยเขาน่าจะรู้นะเขาหน้าเรียนนะศึกษาคำพีนี้ให้ดีแล้วค่อยแนะนำเขาเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยไปเที่ยวแนะนำสเปสสปะนะนำไปเหมือนกัน อีกฝ่ายหนึ่งที่นำอะนะอะไรนำนะเนติมันมีสองเยเนติในหนึ่งนำไปสู่มรรคผลนิพพานอีกอันหนึ่งก็เนติเหมือนกันคือตัณหานําไปสู่ภพอะนะภพไหนก็อีกเรื่องหนึ่งครับนี้เพราะฉะนั้นก็ศึกษาแบบที่พระองค์ประสงค์แล้วก็ผู้เรียนทั้งหลายถ้าเรียนเพื่อความพ้นทุกข์ก็ควรศึกษาเนตินะย้อนสรุปว่าเนติเป็นคัมพีร์ที่นําไปสู่นําไปสู่มรรคผลนิพพานผู้สอนทั้งหลายก็อาศัยคัมพีร์เนติเป็นเครื่องมือในการ สอนเนี่ยนะผู้เรียนทั้งหลายก็อาศัยคำพีเนติเนะี่ยช่วยเป็นเครื่องมือประกอบทำให้เข้าใจคำสอนยิ่งขึ้นเพราะคำพีเนติเป็นคำพีที่พูดถึงอัดกับพยัญชนะของคำสอนอ น, นะอัตกับพยัญชนะอัถะอัฐะนะหมายถึงเนื้อความถ้าเป็นเนดีนะไม่ใช่คำพีไวยากรณ์ถ้าไวยากรณ์นี่จะขึ้นต้นอัตโถอัคารสัญญาโต ะบุคคลจะรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอักษรถ้าอักษรผิดอะไรผิดพยัญชนะก็ตามผิดไปด้วยฉะนั้นการเรียนเรื่องอัถฐกับพยัญชนะเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นของการเข้าถึงปริยัติศาสนาถ้าได้ปริยัติศาสนาที่หมายถึงอัฏกับพยัญชนะดีแล้วการปฏิบัติก็ไม่ใช่จะจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะความเป็นปหูสูตรถือว่าเป็น อริยทรัพย์เนี่ยนะครับผู้มีทรัพย์ในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเดือดร้อนนะชั้นใดผู้ที่เป็นพหูสูตรมากก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะความเป็นพระหูสูตรจะปกปักรักษาเขาดังั้นการปฏิบัติแบบผู้ที่มีพหูสูตรก็เบาเนี่ยนะก็เบาอย่างเช่นถ้าสมมต น, นะถ้าเป็นพระทิสูตเลยเนี่ยไม่ได้เรียนนี่ในมาสงสัยในอบัติททั้งปีเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้เรียนธรรมะมาเลยเนี่ยโอ้โหปฏิบัติเอ๊พิจารณาโน่นไปกำหนดนี่ไปสงสัยอีกแล้วเนี่ยนะแกะอาจารย์ตลอดเลยเนี่ยอาจารย์พาไปไหนก็ไม่รู้ถ้าอาจารย์ดีก็ดีไปอาจารย์ไม่ดีก็เสียหายมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือคือที่ต้องการคือทำยังไงที่เราจะได้มีสาระอย่างแท้จริงเนี่ยนะสาระของเราคืออะไรพบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าสาระของเราคืออะไรบุคคลอื่นอย่างดีเป็นมิตรเป็นฐานะมิตรเท่านั้นเอง อย่างของต่อมาที่พูดเนี่ยฐานะเป็นมิตรถ้านําดีบาลีนะดีเนี่ยแปลเป็นบาลีว่ากาฬยนะานะถ้านําเรวแปลเป็นบาลีว่าตาตะเพราะฉะนั้นถ้าบวกกันเนี่ยนะถ้าพาไปดีก็กาฬยานมะิตรพาไปเร็วก็ตาประมิตรเนี่ยนะมัน ก, ก็อยู่ใกล้ๆกันนะไม่ได้ไกลอะไรนี่คำพีนนเนติณนะย้อยนในครั้งว่าคมพีที่พูดถึงอัดกับพยัญชนะ หาระสิหกเป็นคำอธิบายอัถะอัฐะหาระสิหกนะหาระแปลว่าวิธีช่วยกำจัดความหลงความสงสัยหาระอธิบายพยัญชนะเมื่อกี้ว่าไงอ๋อัฐะนะขอโทษโทษของการพูดเร็วพองก็ตำหนิเหมือนกันนั่นเขาก็เลยมีอะไรนะคำใดบอกว่า อะไรนะสีเท้ายัางรู้พลาดน้องมาอ้างตัวเป็นปราชิณิกรรมเลยพลังหนึ่งธรรมดานะมัยังไม่ใช่ปราฏิแท้นะอันนั้ น, นก็ยอ้อนอีกครั้งว่าหาระหาระนี่เป็นคําอธิบายพยัญชนะที่ช่วยให้เข้าใจพยัญชนะของคําสอนว่าสิ่งที่โปร่งพูดเนี่ยหรือโปรองตรัสดเนี่ยหมายถึงอะไรหาระนี่โดยศัพท์หรือโดยอัตตตามอัตตะถาให้นิยามว่าวิธีช่วยกําจัดความหลงความสงสยัย ความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิปลาดนะความหลงความสงสยัยความวิปลาดจากคําสอนเนี่ยนะวิธีแก้หรือวิธีกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในคําสอนเรียกว่าหาระหาระนี้แยกไปเป็น16ประเภทเนี่ยนะสิประเภทหรือ16หาระเนี่ยนะเทศนาวิจโยยุติปทัฏฐาโนจะลัคนโนเป็นต้นมันก็หาระ16นี ถ้าเราเนื้ถ้าเราวิธีปลูกฝังที่จะจําหาระสิบหกให้ได้ง่ายมากก็คือว่าหนึ่งหาระเท่ากับเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าก็าเรามีเพื่อนสิบหกคนยังไถ้าจำหาระได้สิบหกเลยนะถ้าจำาเนื้อได้อีกห้าที่จะขยายอัฏฐาก็บอกโหมีครูบาอาจารย์ห้าอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็จำเอาไว้นี่ก็จะได้มีคุณค่ามากนะให้ให้ใ ห, ให้เป็นสิ่งที่มีค่านะ ส่วนศาสนประธานนี่เป็นการตั้งวิธีการตั้งสูตรว่าพระสูตรในพระไตรปิฎกนี่จะเป็นลักษณะไหนการในตอนหลังเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาศาสนประทานศาสนประธานเนี่ยนะวิธีการตั้งสูตรเนี่ยเวลาเราจับสูตรป้าปเราจะรู้เลยว่าสูตรนี้ขอบเขตแค่ไหนเพราะเขาจะมีนี่กำหนดว่าเ อ, อสูตรนี้เป็นหมายเน้นที่พระเสขะนะสูตรนี้เน้นที่อเสขสูตรนี้เป็นวัตตะสูตรนี้เป็น วิวัตตอการการเรียนาศาสนาปฐานี่จะช่วยเราตรงนั้นช่วยให้เราเข้าใจนะจริงๆอเราก็ไม่ต้องไปคิดเองหรอกอัตกถาท่านบอกไว้แล้วนะแต่ท่านบอกเราก็ยังสงสัยอีกอยู่ดีแต่ถ้าเราเรียนสูตรมาดีเราจะรู้ว่าเออทาไมท่านจึงบอกอย่างนั้นะนะถ้าคนที่เรียนหลักเนติตรกรดีเรียนหลักปฏิสัมพิธาดีเนี่ยนะจะรับอัตกถาง่ายมาก พราะอาจจะจะรู้ว่าอัตถกถาท่านมีกฎเกณฑ์การการขยายหมดเลยถ้าไม่ขยายตามนี้เดี๋ยวท่านจะผิดกันเองเนี่ยนะท่านจะผิดเองเพราะฉะนั้นท่านไม่ยอมผิดอยู่แล้วนะอันผู้ที่ศึกษาไม่ดีก็ตําหนิก็มีผู้ที่ศึกษาธรรมบทนยะถ้าถ้าเรียนธรรมบทโดยที่ไม่รู้หลักเนติปกรณ์เป็นต้นเนี่ยตำหนิคาพีก็ตําหนิอัตถกถาธรรมบทตรงแตดว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจเนี่ยนะ ถ้าใจอันโทษประทุสลายแล้วพูดก็เป็นคําพูดที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าใจถูกโทษประทุสลายแล้วถ้าพฤติกรรมก็ใช้ไม่ได้มันก็สรุปว่าทุจริตสามนั่นแหละนะใจประทุส้ายก็มโนโทุจริตถูกประทุสลายด้วยอภิชาโทมนณตมิจฉาทิฐิคําพูดที่ไม่ดีก็คือวจีทุจริตสี่แล้วก็พฤติกรรมไม่ดีก็คือกายโทุจริตสถ้าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยโทษจริตสาประการทุกก็จะติดตามเข้าไปเหมือนกับ ล้อที่หมุนไปตามรอยเท้าโคทีนี้พ่อจกร ะ, าะกถามมาบอกว่าเออจิตเนี่ยนะมันเป็นประธานเป็นหัวหน้าของสัมปยุต ธ, ธรรมนะเป็นหัวหน้าของเจตสิกขันสามอันนะพวกที่เรียนใหม่ๆก็บอกเออเจตสิกมาอย่างไรอีกแล้วเนี่ยนไหมทำไมมันมีเจตสิกมีอะไรเอกก็พูดง่ายๆอ่ะทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละ น, นะก็น่าจะอธิบายกันง่ายๆแต่ถ้าอธิบายง่ายๆก็ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะก็จะไปขัดกับคําสอนในที่อื่นๆ เพราะฉะนั้นการศึกษาให้ให้เข้าใจกฎเกณฑ์เนี่ยจะช่วยปกปักรักษาเราเยอะอย่างน้อยที่สุดอะไรรู้ไหมวัจีทุจริที่เกิดวิจารณ์ขณะนั้นเนี่ยมันจะน่ากลัวที่สุดเห็ในไหมคือพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีมาสีอาสงไข่แสงกลับอนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะให้เรานี่ใครบําเพ็ญตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อนุโมทนาด้วยนะกับผู้ที่บําเพ็ญแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่บําเพ็ญเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมาถึงก็วิจารณ์พระพุทธเจ้าก่อนนะ ว่มาก็นึกเหมือนนะอ้หูคนหูหนวกวิจารณเสียงคนตาบอดวิจารณสีก็เลยโอ้โหเสียหายมาก น, นะก็มียุคนี้มากคือนักที่คนไม่อ่านพระไตรปิฎกวิจารพระไตรปิฎกนั่นนะอือเขาทํากันได้ยังไงไม่ทราบนะตาบอดวิจาร์สีหูหนวกวิจารเสียงครั้งที่แล้วพูดถึงหาระข้อแรกเลยนะที่เป็น หัวข้อเฉยๆว่าคือเทสน า, าระเทสน า, าระมีอยู่หอย่างด้วยกัน น, นะคือหลักการสอนของพระพุทธเจ้านะหลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามี6อย่างเกลเทสน า, าระนะคืออาัศาธาหนึ่งนะอาัศาธาสองอาธีนวะสนิสระณะสเหตุผลผลจะได้เพราะอุบาย อุบายแล้วก็สุดท้ายคืออ น, นัตคําสั่งนนคําว่าอ ส, สาธานี่มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่ห้าประการด้วยกันนะศัพท์ว่าอ ส, สาธาอัศธาอ ส, สาธานี้ท่านอธิบายแบบท่าย่อๆก็คือสุขะสุขะปัจจยะละัคนะเนี่ยนะหมายถึงว่าความสุขหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยให้ได้เกิดความสุขสิ่งนั้นเรียกว่าอัศธาอันนี้แบบย่อ ๆ, ๆ ความสุขหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเนี่ยนะเรียกว่าอาสาธะอันนี้แบบย่อนะถ้าแบบพิสดาลก็ห้าหนึ่งสุขสองโสมนัสสามอิทธารมอิทธารมคือปียรูปสาตรูปทั้งหลายเนี่ยนะข้อที่สี่ก็ตันหาข้อห้าวิปรสสาเนี่ยนะอาสาธะมีความหมายอยู่ห้าอย่างและอาทีนวะอาทีนวะนี้ถ้าจำแบบย่อๆก็คือทุกขตาสาม นะทุกขตาสามนะ